ตอนที่หนึ่งร้อยเจ็เจ็โจจี้นเย่อีกแล้วถ้าเกิดท้องขึ้นมาจริงๆแล้วก็หลีชิงผิงยังคงมีความกังวลอยู่บ้างร่างกายของนางไม่ได้รู้สึกแย่จนทนไม่ไหวนางทนได้แต่ถ้าหากินยาซีสัวแล้วไปทําอันตรายต่อเด็กในท้องจะทําอย่างไรไม่ท้องหรอกพี่บอกว่าครั้งนี้จะไม่ได้ท้องก็คือไม่ได้ท้องเจ้าวางใจกินยาเถอะเจิ้งหวิงชงสงสายตาปลอบโยนให้หลีชิงผิงพวกเราไปรับยากันก่อนดีไหมอย่าอยู่ตรงนี้ให้เสียเวลาคนเท่คนอื่นเลย ลิชิงพิงเดินตามเจ้งางวินชงไปรับยาด้วยความกึ๋งเชื่อกึ่งสงสัยจนกระทั่งทั้งสองกลับมาถึงบ้านเมื่อนางฟังเขาอธิบายจึงได้เข้าใจว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนางรู้สึกโกรธเล็กน้อยที่เจ้งางวินชงปิดบังเรื่องใหญ่ขนาดนี้กับนางเรื่องแบบนี้เขาควรจะบอกนางสิถ้าพี่ไม่คิดจะมีลูกพวกเราก็ยังมีวิธีอื่นนี่นาะฉันได้ยินมาว่าถ้าผู้ชายธรรมันจะเสียสุขภาพนะหลังจากผ่าตัดแล้วพี่ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าร่างกายพี่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าจะไม่รู้หรอกหรือ เจ้งวิงชงยกยิ้มที่มุมปากพลางขยับเข้าไปนั่งเบียดหลีชิงผิงน้ำเสียงที่พูดเจอแววหยอกเย้าหืมใบหูของหลีชิงผิงแดงซ่านกลางค่ากลางวันอย่ามาพูดจะละเอ็ดแถวนี้ถ้าพวกเด็กๆมาได้ยินเข้าพี่นั่นแหละที่จะเป็นคนสอนเด็กในทางที่ผิดบ้านเรามีแต่ลูกชายเจ้าจะกลัวอะไรถ้าลูกสาวอยู่บ้านที่รับรองว่าจะไม่พูดเด็กขาดเจ้างวิงชงหัวรอเบาๆเสี่ยวหวานกับเส้าหฮงสองคนนั้นคบกันแล้วเจ้ารู้หรือยังหา ลี่ชิงพิงมองเขาด้วยความประหลาดใจคบกันแล้วเหรอคราวก่อนที่นางถามลูกสาวลูกสาวยังบอกว่าไม่ได้คบกันเลยนี่นาพี่รู้ได้ยังไงคงไม่ใช่ว่าดา เ, าเอาเองอีกหรอกนะหลี่ชิงพิงถามอย่างสงสยัยเรื่องแบบนี้พี่จะมาดาวสมสี่ม 4, สมหให้เจ้าฟังได้ยังไงคืนที่พวกเขาสองคนเริ่มคบกันเศร้าเหิงก็โทรศัพท์มาบอกพี่แล้วแถมยังรับปากกับพี่ด้วยว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นการครบหาที่ปกติจะไม่ทำเรื่องล่วงเกินขอบเขตเด็ดขาด เจ้างวินโงกล่าวเขาค่อนข้างพอใจกับการกระทําของหลานชายคนโตมีเรื่องอะไรต้องรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบลงหน้าแบบนี้ถึงจะวางใจให้คบกันได้ลีชิงพิงเตรียมใจไว้ตั้งแต่คราวก่อนแล้วไม่ว่าลูกสาวจะตัดสินใจอย่างไรนางก็พร้อมจะสนับสนุนปืนก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยเด็กคนนี้ที่ก็เห็นเขามาตั้งแต่เล็กจนโตรู้จักหัวนอนปลายเท้ากันดีฉันเชื่อในสายตาของพี่ค่ะลีชิงพิงพันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงถอนหายใจด้วยความรู้สึกสะท้อนใจ ผู้หญิงเราการแต่งงานก็เหมือนกับการเกิดใหม่ครั้งที่สองต้องเลือกคนให้ถูกไม่อย่างนั้นชีวิตทั้งชีวิตคงพังทลายคำพูดนี้ของเจ้าไม่ผิดเลยต้องเลือกคนให้ถูกจริงจรงเจ้างวินฉงยื่นมือไปกุมมือของหลีชิงผิงพลางออกแรงบีบเบาๆครั้งแรกเจ้าเลือกคนผิดไปแต่ยังดีที่สวรรค์ยอมให้พวกเราสองคนได้มีอยู่ด้วยกันหลีชิงผิงยิ้มบางๆนั่นสิคะสวรรค์ยังเมตตาฉันอยู่มากเพียงแต่หลีชิงผิงพูดค้างไว้พลางลังเล ถ้าคนในเขตทหารรู้ว่าพวกเขาสองคนคบกันข้างนอกคงหนีไม่พ้นคำนินทาแน่ๆคนในครอบครัวเรายังไม่กลัวคํำนินทาพวกนั้นเลยเจ้าจะไปกลัวอะไรเจ้างอาวิน๋นชงพูดอย่างไม่ใส่ใจถ้าพวกเขามีความสามารถก็มาพูดต่อหน้าพี่สิพวกเขาจะกล้าไหมละ่ะไม่กล้าแน่นอนตอนนี้เจ้างอาวิ๋นเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพลประจําเขตทหารแล้วใครจะกล้ามาพูดจะสีสัวต่อหน้าเขาลีชิงผิงผ่อนคลายลงไม่น้อยแล้วตระกูลหยวนละ่ะ พวกเขาได้พูดเรื่องอยากได้คนที่ฐานะทัดเทียมกันบ้างไหมเจ้าคิดว่าตอนนี้พวกเรากับพวกเขาฐานะไม่ทัดเทียมกันหรืออีกอย่างลูกสาวเราเก่งกาจขนาดนี้เรื่องนี้เซาเหิรก็บอกพี่มานานแล้วปลูกกับญาติทางฝั่งนั้นชอบเสียหวานจะตายไปพวกเขาคิดไปถึงขัน้นที่วา่าทั้งสองคนมีลูกด้วยกันในอนาคตเด็กจะออกมาเก่งกาจขนาดไหนสิ่งที่พวกเขามองไม่ใช่เงินทองแต่เป็นยีนต่างหากลีชิงพิงพยักหน้าอย่างครุ่นคิดฟังเขาพูดแบบนี้ก็ดูมีเหตุผลเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้นางก็วางใจได้แล้ว ก่อนฟ้ามือเจ้าชุนฮวาได้ว่ามาสอบถามผลการตรวจของทั้งสองคนเป็นการส่วนตัวว่าท้องหรือไม่ลีชิงพิงตอบว่าไม่ท้องนางถึงได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่ท้องก็ดีแล้วชิงพิงแม่ไม่ได้จะรังเกียจถ้าพวกเจ้าจะมีลูกนะแต่แม่คิดว่าลูกๆในบ้านเราก็เยอะพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปลําบากตรำตรำอีกดูแม่อย่างนี้สิมีลูกชายแค่สองคนชีวิตบ้านปลายก็ยังดีขนาดนี้มีลูกไว้เป็นเพื่อนกันก็พอแล้วพวกเราควรใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีๆกว่า คุณแม่คาเขาไม่ได้บอกฉันเลยว่าตัวเองไปผ่าตัดธรรมนมาแล้วลีชิงพิงพูดอย่างจนใจถ้าเขาบอกฉันเร็วกว่านี้ว่าทํามันแล้วมีหรือจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลให้วุ่นวายยังไงก็ไม่มีทางท้องแน่นอนวันนี้เสียค่าตรวจไปไม่น้อยเลยเขาก็เพิ่งบอกแม่เหมือนกันเจ้าลูกคนนี้ปากแข็งตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเจ้าชุนฮวาพึพมพำพรางโบกมือเดี๋ยวพวกเจ้าอย่าลืมไปกินข้าวที่บ้านนะกับข้าวใกล้จะเสร็จแล้วลีชิงพิงขานรับข้าเดี๋ยวจะตามไปค่ะ เย็นนี้แม่ทำหมูตุ่นน้ำแดงของโปรดเจ้าไว้ด้วยท้เจ้ายัางไม่มีความอยากอาหารก็กินอะไรที่จืดๆหน่อยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพอกลับมาจากโรงพยาบาลก็จู่ๆก็อยากอาหารขึ้นมาเลยค่ะทั้งที่ยังไม่ได้กินยาหลีชิงผิงพูดติดตลกแปลกจริงๆแต่เอาเถอะร่างกายไม่เป็นอะไรก็พอแล้วไม่เป็นไรข้าคุณแม่ต้องขอโทษ ด, ด้วยนะคะที่ทาให้คุณแม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเกรงใจแม่หรอก ลิวันรับผิดชอบการฝังเข็มรักษาคุณปู่ของเซียลเมี่ยวอวินอย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นการฝังเข็มครั้งที่สมคนเท็ก็ค่อยๆฟื้นคืนสติแต่เนื่องจากเป็นการบาดเจ็บทางสมองส่วนจะฟื้นฟูได้ถึงระดับไหนนั้นยังไม่มีใครทราบได้หลังจากนั้นเซียลเมี่ยวอวินก็ไม่ได้มาหาเรื่องลิวันอีกคงเป็นเพราะพอ่อสกุลเซียวได้สั่งสอนมาเป็นอย่างดีลิวานจึงได้อยู่อย่างสงบสุขนางใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียน ช่วงนี้เหวินโม่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากศาสตราจารย์เจียงมักจะเอ่ยปากชมเขาอยู่เสมอมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้องเรียนปริญญาตรีสปีจากนั้นก็ต้องเรียนต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหลี่หวันรู้ซึ่งถึงศธรรมที่ว่าการเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้นางติดตามศาสตราจารย์เท้าเซียไปออกงานชุมนุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนขนาดใหญ่อยู่บ่อยครั้งหลี่หวันเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาทีละน้อย นางกับหยวนเซ้าเหิงมักจะหาเวลามาพบกันเสมอทุกครั้งที่เจอการจะมีเรื่องคุยกันไม่จบไม่สิ้นการกระทําที่คู่รักปกติทํากันพวกเขาก็มีหมดแน่นอนว่าตอนนี้จํากัดอยู่เพียงแค่การจับมือและจูบเท่านั้นหยวนเซ้าเหิงบอกตั้งแต่เริ่มคบกันว่าเรื่องทางบ้านไม่ต้องให้นางกังวลและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหลีหวานแทบไม่ต้องเอ่ยปากอะไรผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่างก็รับรู้เรื่องของพวกเขากันหมดแล้วช่วยลดความกระอักกระอ่วนที่หลีหวานไม่กล้าเปิดปากบอกไปได้มาก ในฤดูร้อนที่แสบอ้าหลี่หวานได้พบกับโจเจี้ยนเย่ออีกครั้งดูเหมือนว่าเขาจะมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนั่นคือการม า, านางโจเจี้ยนเย่ยเปลี่ยนไปมากเขาดูกลับลงไปถนัดตาจนหลี่หวานเกือบจะจําเขาไม่ได้ในแวบแรกข้างกายเขามีเด็กหญิงตัวน้อยที่เขาให้กําเนิดกับหลิวเคอเคอเดินตามมาด้วยใบหน้าเล็กๆนั้นขาวสะอาดหมดจดเสียแต่ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูไม่ค่อยดีนักเพราะเติบโตมาในชนบทจึงย่อมมีความแตกต่างจากเด็กในเมืองอย่างเห็นได้ชัด หลี่หวานยังคงรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างที่ได้พบกับสองพ่อลูกคู่นี้ที่โรงพยาบาลโจวเจี้ยนเย่ยไม่คาดคิดว่าลูกสาวในตอนนี้จะประสบความสำเร็จถึงเพียงนี้อายุยังน้อยก็สามารถออกตรวจคนไข้ได้แล้วเมื่อเขาเห็นข้อมูลแพทย์ของหลี่ ห, หวานเขาก็ลงทะเบียนจองคิวตรวจของนางโดยไม่ลังเลเลยสักนิด